วิธีปฏิบัติทุกขณะจิตปัจุบัิจะต้องมีสติอาศัยยืมสติสมาธิปัญญาสัพพัญญาในขันธ์ห้าเนี่ย มาช่วยให้ตัวเราเนี่ยไม่หลงไปเอาไว้ตัวที่มันสังขารได้กระเพื่อมได้ไหวตัวได้เนี่ยเอามาเป็นตัวเราเป็นอันขาดเลยหรือจะต้องมีสติสมาธิปัญญาหรือสััญญาในขันห้าเนี่ยช่วยให้ตัวเราเนี่ยหายโง่คืออย่าเอาตัวเราไปเป็นตัวสังขารปรุงแต่งเอาไปคิดไปนึกไปตึกไปตองไปดิ้นรนไปค้นหาไปพายายาม เอาไปเคลื่อนที่ได้เอาไปเคลื่อนไหวได้เอาไปแยกแยกแยะได้อย่างนี้จะเอาอย่างนี้ไม่เอาเอาไปแทรกแซงได้เอาไปเลือกได้อย่าเอาตัวที่มันเคลื่อนที่ได้ที่แสดงกริยาการได้ตัวที่แสดงแอคชั่นได้ตัวที่มีการเกิดดับได้แสดงกริยาการเกิดดับได้ตัวที่มีกริยาการตรงกันข้ามได้มีสภาวะตรงกันข้ามได้อย่าไปเอาตัวที่มันเปลี่ยนแปลงได้กริยาที่มีแอคติยาการเปลี่ยนแปลงได้คือเดี๋ยวผ่องใสเดี๋ยวเศร้าหมองเดี๋ยวสุกเดี๋ยวทุกข์ เดี๋ยวคิดเดี๋ยวก็ไม่คิดเดี๋ยวสงบเดี๋ยวก็ไม่สงบอย่าไปเอาไอ้ที่มันมีสภาวะที่มันตรงกันข้ามได้ที่มันเกิดดับได้ที่มีกิริยาการที่มันปรุงแต่งได้มาเป็นเรามาเป็นตัวเรามาเป็นตั ว, าาน ต, วตนของเราให้รู้ไว้ในใจอยู่เสมอรู้สึกไว้นในใจเสมอโดยแยกขายเรียกวิญญูนิโสมนาธิการว mm ่า hmm. เราแท้ๆคือผู้ผู้ที่มารู้ตัวเราไม่ใช่ตัวเราที่ถูกรู้ ตัวผู้ที่มาลูตัวเราแต่แท้ๆคือผู้ที่มาลูตัวเราทุกคิดทุกการพูดทุกการกระทําทุกขณะปัจจุบันไม่ใช่ตัวเราที่คิดนึกึตามปรุงแต่งอยู่ในปัจจุบันดังนั้นอย่าหลงเอาตัวเราที่มีความคิดนึกตองปรุงแต่งได้ในขณะปัจจุบันเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราเป็นอันขาดถ้าขณะจิตใดที่เราหลงไปเอาตัวที่มันสังขารได้ตัวปรุงแต่งได้ตัวที่มันคิดนึกตองปรุงแต่งได้ตัวที่มันกระเพื่อมได้ตัวที่มันไหวตัวได้ตัวที่มันเกิดดับได้ ตัวที่มันมีสภาวะมีอาการตรงกันข้ามได้มาเป็นตัวเรามาเป็นตัวตนของเราเอาตัวเราไปคิดไปนึกไปตึกไปตองไปพยายามเอาไปโกรธได้ไปมีอารมณ์ได้ไปรักไปชังได้ไอเนี้ยเราก็ด่าตัวเรามากๆเข้ามึงโงล่ล้ว่องนี้กี่ชาติแล้วมึงโง่แบบนี้ไปกลับเป็นกันแล้วมึงเวียนวายตายเกิดกี่กลับกี่กันแล้วกระดูกกองผ้าภูเขาเราการน้ำตามึงทุกมาเนี้ยร้องไห้จนจนเรื่องนองดูท้องทะเลมาหาสมุทรเจ้าตัดไว้เนี้ย ยังไม่เข็ดอีกหรือยังไม่เข็ดหรือไงหลงแบบนี้ยมึงโง่อย่างนี้มากี่ชาติแล้วเนี่ยกี่กลับกี่การแล้วจะจะโง่อย่างนี้อีกเหรอจะโง่อีกอย่างนี้อีกนานเท่าไหร่ด่ามันบ่อยๆเขามันจะได้เลิกเอาไอ้ตัวเราไปหลงคิดหลงนึกหลงตึกหลงตองหลงปรุงแต่งหลงดิ้นรนหลงค้นหาหลงพยายามเพ่งพยายามจ้องพยายามรู้ลาปล่อยวางเอาไปเป็นตัวเคลื่อนที่ได้ พอเราหลงขนาดจิตใจหลงเข้าไปเอาเป็นตัวที่เคลื่อนที่ได้ที่เกิดดับได้ที่ปรุงแต่งได้ที่คิดที่นึกติต้ติ้นติ้ตองที่พยายามได้ด่ามันเลยว่าเองกําลังหลงเอาตัวสังขารที่มันเกิดดับได้ที่ไม่เทียงมาเป็นตัวตัวเราอีกแล้วมึงทํำไมโง่แบบนี้มึงทํำไมโง่แบบนี้ด่ามันแรงๆไงก็ได้หาเรื่องด่าเราด่าหาคำมาจาัดมันด่ า, ม, ามันหายมันหายโง่เรียกว่าหายอาวิชชาหรือดับอวิชชาหายงโง่ซะที มันยึดปิดตัวมานานแล้วเออมันจะได้ปล่อยวางสังขารทุกขณะปัจจุบันไม่ไปยึดเอาสังขารคือสิ่งที่เกิดดับได้ที่คิดไม่ติงตองปรุงแต่งได้ที่กระเพื่อมได้ที่ไหวตัวได้ที่แสดงกิริยาการได้ที่มีสภาวะเป็นอาการตรงกันข้ามได้มันจะถูกปล่อยวางหมดไปตลอดเวลาเพราะมันโยนิโสไว้ในใจโดยแยบคายอย่างต่อเนื่องใม่กล้าจ่ายมันกลัวถูกดา่ามันก็เลยปล่อยวา ง, วางหมดปล่อยวางหมดทุกขณะปัจจุบันปล่อยวางสิ่งที่รู้ที่เห็น ที่รู้ได้โดยใจสัได้ใจว่ามันเป็นสิ่งเกิดดับเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงสังขารตั้งมวลมันจึงถูกปล่อยวางไปตลอดเวลาไม่หลงเอาตัวเราไปเป็นสังขารที่เลยไม่หลงเอาสังขารนัเป็นตัวเรามีแต่รู้ละปล่อยวางสังขารไปทุกขณะปัจจุบันจุกระทัางมันถูกด่าถูกสอนอามากๆเข้าใจมันก็ปล่อยวางของมันเองอะคือมันฉลาดได้ตัวของมันเองมันก็ไม่ต้องมาบอกสอนตีดต่อไป ภาละการบอกการสอนก็จบลงที่ท่านว่ากิจที่ต้องทําก็จบแล้วใจมันปล่อยวางของมันเองหมดแล้วไม่เข้าไปยึดม้านถือบ้านสังขารใดๆทั้งมวลพอมันไม่หลงหยึดม้านถือบ้านสังขารใดๆทั้งมวลมันก็จะไม่หลงเอาสังขารเนี่ยย้อนกลับมายึดใจที่วางเปล่าอีกมาย้อนกลับผู้ที่มารู้ตัวเราเองคือใจที่ว่างเปล่าเพราะมันสิ้นหลงสังขารหมดแล้วนั่นแน่ที่หลวงปู่ม่านพ่อแม่ครูอาจารย์ว่าสิ้นสังขารมีธรรมที่มั่นคง นั่นแหละคือองค์ธรรมเอกวิเวกจริงที่ลุงตามาเปรียบเทียบอะแล้วมานบอกมันสอนมันดาตัวเราว่ามันไว้โง่ไปเอาสังขารมาเป็นตัวเราเอาตัวเราไปเป็นสังขารได้อีกแล้วอะตัวเราเนี่ยมันมาเป็นผู้ที่รู้ตัวเราที่สังขารนี่เหรอตัวเราเนี่ยทั้งการคิดการพูดการกระทำอะไรเนี่ยมันเรียกว่ามันเป็นสังขารทั้งหมดคือเป็นตัวปรุงแต่งทั้งหมดเป็นตัวเกิดดับเป็นตัวไม่เที่ยงทั้งหมดแล้วทำไมไปเอาไอ้ตัวตัวเราเนี่ยไปคิดไปนึกไปตึกไปตองเพราะว่าตัวเรามันเป็นผู้ที่มารู้ตัวเราเหมือนกระจกเงาเนี่ย มันไม่สามารถคิดตึกตองปุงแต่งได้ไม่อาจสังขารได้ไม่อาจเคลื่อนไหวได้ไม่อาจแสดงกิริยาการได้ไม่เกิดไม่ดับเราทำไมไปเอาไอ้ตัวเกิดดับเอาไว้ความคิดความนึกความตึกความตองเนี่ยมาเป็นตัวเราหรือเอาตัวเราไปคิดเยงเยงเยงเยงเงดิดหลนก้นหาพยายามพยาามอ่ามันทําไมหลงอีกแล้วหลงอีกแล้วด่าไม่ได้บ่อยเข้าซ้อมไม่ได้บ่อยเข้าไม่ช้าจิตมันก็จดจําถึงใจน่นแหที่บอกว่าถึงใจถึงพระนิพพานถึงใจอะไรก็เหมือนกับว่า เราสอนลูกหมาลูกแมวที่เราเลี้ยงมันไว้แต่เล็กเลี้ยงในบ้านแล้วทําก็ทําประตูเล็กๆให้เป็นประตูบานพับให้มันอ่ะเข้าๆออกเข้าออกได้เองเราก็สอนให้มันไปขี่เยี่ยนนอกบ้านไม่มาขี่เยี่ในบ้านไม่ให้ไปขี่เยี่ยนบนที่นอนให้มันไปขี้เยี่ยนนอกบ้านเราเลี้ยงมันใหม่ๆ้อนใหม่ๆแตวมันก็มาขี่เยี่ยนในบ้านอีกล้ไปขี่เยี่ยวที่ไปเป็นที่เป็นทางในบ้านทําให้เลอะให้เหม็นไปหมดเลยเราก็ต้องเห็นมันรู้ต่อทานมันขณะที่มันขี่เยี่ยวในบ้าน เราก็จับได้ไล่ทานมันแล้วเราก็ว่ามันดุมันตีมันสอนมันบอกว่านี่ไม่ใช่ที่ที่ขี่ที่เยี่ยวของเองนะนี่เราก็ดุมันข้าวแล้วก็จับมันมุดเนี่ยค่อยๆจับมันมุดประตูเล็กออกไปแล้วเอามันไปเนี่ยเอาก้นมันไปจิ้มไว้นอกบ้านนู่นที่ดินตรงไหนก็ได้ไว้นอกบ้านแล้วก็จิ้มจิมจิ้มแล้วก็บอกมันสอนมันว่านี่นี่นีที่ที่ที่เยี่ยวของเองอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เนี่ย มันก็เราบอกสอนในใจเราโยนิโสมนาติกาใ น, ในใจเราอะ่ะพอหลงไปเอาสังขารปรุงแต่งได้เอาความคิดนึกตึกตอนปรุงแ ต, งต่งได้มาเป็นตัวเราหรือหลงเอาตัวเราไปคิดนึกตึกตอนปรุงแ ต, งต่งเอาไปพยายามจะทำอะรหรเป็นอะไรได้เราก็ด่าก็สอนก็ตีมันเข้าจิตเนี่ยบอกมันเข้าว่ามึงไม่งโง่อย่างนี้งโง่มากี่ช า, ชาติแล้วมึงโง่ไปกลับเป็นกันไปหลงเอาไปตัวปรุงแต่งเอาเป็นตัวเราอย่างเนี้ยมึงโง่มากี่ช า, ชาติแล้วไม่รู้จากเขตจากลาบเนี่ยดุมันสอนมันแล้วก็ ไว้วางมันไปก็คือเนี่ยจับมันออกไปแมวมาขี้เยี่ยวในบ้านตีมันดุมันสอนมันต้องจับมันขณะปัจจุบันแน่ๆรู้ทันทันมันขณะปัจจุบันแล้วจับมันมุดประตูออกไปประตูเล็กกว่าไปแล้วก็เอามันน่ะไปขี้ไปเยี่ยวเอากลืนไปจิ้มไว้นอกบ้านตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ที่ของเองตรงนี้ที่เคี่ยวเยี่ยวของเองนี้อยู่นอกบ้านนี่นี่นี่นี่เราสอนมันตลอดเวลาตลอดเวลาทุกวันทุกวันทุกวันน่ยเดี๋ยวหมาแมวมันก็ถึงใจมันก็รู้แจ้งที่ใจถึงใจ มันก็ไม่มาขี้มาเยี่ยวในบ้านอีกต่อไปมันก็มันก็ขี้ออกไปขี้เยี่ยวนอกบ้านมุดประตูเล็กออกไปขี้เยี่ยวนอกบ้านแล้วมันขี้เยี่ยวเสร็จมันก็มุดกลับเข้ามาประตูเล็กกลับเข้ามาในในบ้านจิตใจของเรามันฉลาดกว่าหมากับแมวอีกเอาสอนมันนะไม่ช้าหรอกกิจที่ต้องสอนมันก็จบลงใจมันก็จะไม่หลงสังขารอีกต่อไปไม่หลงไปเป็นสังขารและมายึดเอาสังขารมาเป็นตัวเราอีกต่อไป